ดนดินถิ่นล้านนาไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีศิลปะวัฒนธรรมอัน ง, งดงามพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและอุดมไปด้วยป่าเขาลำเนาพรายผู้คนที่มีจิตใจอันยึดมั่นในพระพุทธศาสนา แต่ว่าสำหรับพระทุดงแล้วแดนดินถินลานนาคือสถานที่ที่เหมาะสมแก่การทุดงเพื่อปลีกวิเวกจากความวุ่นวายในโลกแห่งคาราวาสที่มีแต่การแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบคดโกงกอบโกยทั้งที่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือจะเป็นเจ้าสัวทรัพย์สินเงินทองพร้อมสมบัติพักสถานที่หามาได้ตลอดชีวิต เมื่อหมดลมหายใจแม้จะรักจะห่วงแล้วก็จะห่วงเพียงใดล้วนต้องทิ้งไว้เบื้องหลังถูกนำใส่ลงหามไปเผาหรือไม่ก็ไปฝังมีแค่ตัวเปล่าๆกับเสื้อผ้าที่เขาใส่กลับหน้ากลับหลังให้เพียงชุดเดียวกับเงินใส่ปากที่เมื่อจะนำศพขึ้นเมนเผาศพหรือนำลงไปฝังสับรเริ่าก็ยังล้วงออกมาซะอีก ตะวันลับหายไปจากผืนโลกนานพอสมควรโคมทองแห่งตราตรียังไม่โผล่ขึ้นมาทอแสงทำหน้าที่แทนโคมทองแห่งทิวาที่ลับโลกไปกลดน้อยในป่าอันวิเวกถูกลมกันโชคสันไหยเป็นครั้งคราวถัดกลดออกไปไกลพอสมควรเป็นทางสามแพร่งที่ชาวบ้านชาวป่าใช้แล่นเกวียนและสัญจรด้วยเท้า ตามหลักของคาราวาสแล้วทางสามแพร่งไม่เหมาะกับการปลูกเรือนหรือทำการก่อสร้างสิ่งใดด้วยถือว่าจะเป็นทางผีผ่านแม้แต่พระธุดงบางรูปที่ยังยึดติดอยู่กับธรรมเนียมอันเป็นของคาราวาสยังหลีกเลี่ยงไม่ปักกลดแม้จะห่างจากทางสามแพร่งมากพอสมควรก็ตามพระธุดงรูปนั้นนั่งสมาธิหลับตานิ่งเข้าสู่ฌานเป็นลาดับ ความวิเวกนี่เองทำให้นิวรณ์ต่างๆเลือนหายไปเหลือแต่การกำหนดลมหายใจด้วยอนาปานสติจนเกิดคณิกะสมาธิก่อนเจริญภาวนาเข้าสู่ฌานตัดความวุ่นวายที่อยู่ภายนอกออกไปจนหมดสิน้นพลันก็มีเสียงประหลาดมากระทบฌานที่กำลังดำรงอยู่จึงเพ่งฌานไปยังทิศทางที่มาของพลังนั้น ฉับพลันก็ปรากฏขบวนเดินทางของชาวบ้านขึ้นในชานภาพที่เห็นสร้างความประหลาดใจให้กับพระธุดงเป็นอย่างยิ่งขบวนชาวบ้านพากันเดินทางเข้าสู่ทางสามแพรง่งนำหน้ามาด้วยขบวนกองเกวียนนับสิบเล่มตามมาด้วยคนเดินเท้าทั้งหอบลูกจูงหลานหาบคานข้าวของแต่งตัวแบบคนอีสานที่เคยคุ้นตาพระธุดงรูปนั้นที่เป็นพระธุดงมาจากทางภาคอีสานแต่ที่นี่ คือเชียงใหม่ชาวอีสานเหล่านี้มาทำอะไรกันที่เชียงใหม่จิตจับไปที่ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวดีและดูมีอาวุโสกว่าเพื่อนพลันชายคนนั้นได้หยุดเดินแล้วหันมาทางกรดพระธุดงยกมือขึ้นพนมไหวแสดงความเคารพร้องบอกพรรคพวกที่เดินตามมาและผู้ขับเกวียนด้วยเสียงอันดังหยุดพักก่อนเถิดมีพระธุดงมาปรา ก, กดอยู่ไม่ไกลจากพวกเรามากนะัก ท่านกำลังเพ่งมองดูพวกเราอยู่อย่า ก, กระนั้นเลยพวกเราเข้าไปนมัสการท่านกันเถิดสิ้นเสียงชายผู้เป็นหัวหน้าพระธุดงลดระดับฌานลงทีละท่านจนออกจากสมาธิไปในที่สุดเมื่อลืมตาเหนือขึ้นเพื่อมองดูบรรดาผู้อบพยพที่มีทั้งชายหญิงลูกเล็กเด็กแดงใบหน้าและร่างกายดูขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นและคราบเหงื่อคลายละวางหาบคอน คนขับเกวียนกระโดดลงจากเกวียนเดินตามผู้ที่เป็นหัวหน้ามายังขบวนเมื่อรวมพลกันเรียบร้อยแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าก็นำผักพวกที่ร่วมเดินทางนั่งลงกับพื้นก้มลงกราบพระธุดงก่อนนั่งนิ่งอยู่กับที่พระธุดงจึงเอ่ยถามขึ้นว่าค่ำมืดแล้วพวกยมยังไม่หยุดขบวนเกวียนเพื่อพักผ่อนกันอีกหรือเร่งรีบอะไรกันนักหนาะความมืดย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอาจเกิดอันตรายได้ คงไม่ต้องบอกว่าพวกเราเป็นใครท่านคงรู้อยู่แล้วว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอมนุษย์คนที่อาวุโสกว่ากล่าวกับพระธุดงพระธุดงท่านก็บอกว่าอยากรู้ว่าท่านมาจากไหนและกําลังจะเดินทางไปแห่งหนตําตำบลใดาชายผู้เป็นหัวหน้าจึงนมัสการเล่าเรื่องแต่หนหลังถวายให้กับพระธุดงได้ฟังพระธุดงจึงนั่งฟังด้วยความสงบ ขบวนอพยพของพวกเราเป็นวิญญาณของชาวอีสานที่อยู่ในสถานที่ที่เรียกกันว่าสารปู่ตาเมื่อตายแล้วเขาก็เชิญวิญญาณไปอยู่สารปู่ตามีเครื่องเส้นมาให้กินคลายหิวทำบุญอุทิศกุศลให้ได้อิ่มในส่วนบุญวิญญาณในสารปู่ตาจึงเพิ่มจํานวนขึ้นทว่าในปัจจุบันผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้ล้มหายตายจากไปเหลือแต่ลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจในการทำบุญ ไปเชื่อพวกพ่อมดหมอผีที่หลอกลวงห่างจากการเข้าวัดทมบุญวิญญาณที่อยู่ในสารปู่ตาเป็นจำนวนมากจึงอดอยากแสนสาหัสไปทั่วหน้าลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่รักษาศีลกินแต่เหล้าเมาแต่ยาทะเลาะเบาะแว้งฆ่าแกงกันเองปล้นจี้ข่มขืนคบชู้สู่ชายกระทําผิดศีลธรรมพวกผีที่หมอผีเลี้ยงเอาไว้ มันเป็นผีอันธพานยกพวกมาข่มเหงเอาแล้วก็แย่งที่ในสารปู่ตาทำให้วิญญาณที่อยู่ในสารปู่ตาเดิมต้องออกจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามคนไม้ที่ลุก ข, ขาเทวาท่านมีเมตตาให้อาศัยได้รับความลาบากเหลือเกินวันหนึ่งมีวิญญาณคนรุ่นเดียวกันที่อบพยพไปเนิ่นนานแล้วกลับมาหาวิญญาณที่สารปู่ตา เห็นสภาพแร้นแค้นของวิญญาณที่สารปู่ตาจึงแนะนำให้อบพยพไปอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ที่วิญญาณดวงนั้นบอกว่าเป็นดินแดนแห่งคนดีเข้าวัดทำบุญมิได้ขาดจึงได้อบพยพตามวิญญาณญาติที่มาชักชวนจนมาพบพระคุณท่านนี่แหละขอรับเมื่อพระธุดงได้ฟังอย่างสงบก็เลยกล่าวไปกับหัวหน้าที่เป็นคนที่อาวุโสกว่าในขบวนถามว่าไม่คิดถึงถิ่นเก่าที่เคยอยู่บ้างหรือ คนที่อาวุโสกว่าก็เลยตอบพระธุดงไปบอกว่าไม่คิดถึงหรอกขอรับพระคุณท่านตายแล้วทรัพย์สมบัติตกเป็นของลูกหลานได้แต่รอส่วนบุญกับวาระที่จะไปเกิดใช้กรรมใหม่ไม่ต้องทำมาหากินอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ยึดติดแล้วพระธุดงเลยถามไปบอกว่าไหนว่าไม่ยึดติดแล้วแล้วที่หาบที่คอทั้งกระบุงตะกระ้าจอบเสียมวัวควายแลเกวียนที่เห็นอยู่นี่จะเอามาทำไมให้ลำบากลำบน เดินตัวเปล่าไม่สบายกว่าหรือไหนว่าไม่ยึดติดอย่างไรล่ะมันเป็นสมบัติวิบากขอรับพระคุณท่านเป็นกรรมที่ต้องแบกเอาไว้ขอรับของใช้เหล่านี้เคยใช้อยู่เมื่อเป็นมนุษย์พอตายแล้วมันก็กลายเป็นผีสมบัติวิบากก็ตามมาแม่มิได้ใช้มันก็ตามมาต้องดูแลต้องรักษาจะอพยพย้ายที่ไปที่ไหนก็ต้องแบกสมบัติวิบากนี้ไปด้วยทุกหนแห่งด้วยอานาจแห่งกรรมอ่ะ แล้วย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ต้องปะทะกับเจ้าของที่ที่เขาอยู่ก่อนหรือไม่ไม่ต้องหลอกขอรับพระคุณท่านเพราะที่นั่นมีอยู่อีกมากอีกทั้งผีญาติของพวกเราที่ไปชักชวนแล้วก็ไปนําพวกเรามาสามารถต่อรองแล้วก็หาที่ให้พวกเราได้โดยไม่ต้องไปทะเลาะกับเจ้าของที่เดิมกุศลที่มีผู้แผ่เมตตามาตอนทําบุญก็มากพอที่พวกเราจะอาศัยอยู่ได้ด้วยความสุขเอแล้วไม่มีสารปู่ตาแล้วจะอยู่กันอย่างไรล่ะ ไม่มีสารพวกเราก็ปลูกบ้านอยู่กันเองเหมือนมนุษย์นี่แหละขอรับมีการปกครองกันตามลำดับไปแบบเดียวกับที่มนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่กระทํากันหัวหน้าผีอบยพหันกลับไปยังผีที่อบยพแล้วก็นั่งอยู่ด้านหลังให้เตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพลียงกันหลังจากกราบพระทุดงแล้วจึงนมัสการลาเดินทางกลับไปยังกองเกวียนอพยพที่จอดเอาไว้ก็พากันเดินทางออกไปจากที่นั่นจนหายลับตาไปในที่สุด มีเรื่องเล่าต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องจากพระอาจารย์เจมิปะะมปารกกมโอค่ะแห่งวัดดิสานุการามเมื่อยังไม่มอรณภาพท่านได้เล่าเรื่องวิญญาณที่ท่านได้พบมาด้วยตัวท่านเองให้กับญาติโยมฟังท่านพยายามเน้นให้เห็นค่ะว่าคนตายแล้วไม่สูญไปไหน เพราะว่าในปัจจุบันผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วยังศูนย์ก็มีจำนวนมากขึ้นจนหากไม่มีใครมาช่วยชี้แนะรัทความตายแล้วศูนย์ก็จะเข้ามาเป็นคู่ปรับคําสอนเรื่องการเวียนไหยตายเกิดผลแห่งกุศลกรรมกับอกุศลกรรมในพระอภิธรรมปิดกที่ทำให้คนเรามีสติเร่งทําความดีหลีกหนีความชั่วเพื่อไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่านะคะ เพราะหากเมื่อเชื่อว่าตายแล้วศูนพวกคนนี้ก็จะไม่แคร์เรื่องศีลธรรมกับความประพฤติชั่วเพราะถือว่าทำดีทำชั่วก็แค่นั้นตายแล้วศูญบาปบุญไม่มีจริงพระอาจารย์เจิมท่านเป็นพระสอนวิปัสสนาที่เคยเผชิญ ก, กันกับวิญญาณซึ่งมีทั้งดีแล้วก็ร้ายมาแล้วทั้งสองแบบ ท่านได้เริ่มเรื่องผีโยมอุปถากของท่านก่อนโยมคนนี้เป็นสตรีนะคะได้เป็นโยมอุปถากท่านมาตั้งแต่เรียนป ร, ริยนธรรมปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สี่โยมคนนี้ชื่อโยมเฟืองค่ะแกถึงแกกรรมแต่ว่าก่อนที่จะถึงแกกรรมแกได้ทำพินัยกรรมให้แบ่งเงินจากกองบรดกสนับสนุนให้พระอาจารย์เจมิมเรียนป ร, ริยนธรรมจนจบตามที่ต้องการ แต่ว่าพระอาจารย์เจิมได้รับเงินมาก็ถวายเข้าเป็นกองทุนเพื่อให้กับพระนักศึกษาป ร, ริยธรรมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยท่านปรารภแล้วนะคะว่าป ร, ริยธรรมหประโยคสำหรับท่านพอเพียงแล้วที่จะทำหน้าที่เทศนาสั่งสอนประชาชนสลับกับการเป็นพระธรรมทูตค่ะเช้ามืดวันหนึ่งท่านพระอาจารย์เจิมสะดุ้งตื่นขึ้นเหมือนมีใครมาปลุก กำลังเครื่องหลับเครื่องตื่นแกก็เห็นโยมเฟืองมาในชุดปฏิบัติธรรมสีขาวมายืนอยู่ปลายเท้าแม้ว่าโยมเฟืองจะไม่ขยับปากนะคะแต่ว่าหูของพระอาจารย์เจิมค่ะก็ได้ยินเสียงโยมเฟืองพูดได้ชัดเจนถนัดหูเลยทีเดียวโยมเฟืองบอกว่าท่านมหาทุกวันนี้โยมมีสุขก็เพราะปฏิบัติวิปัสสนาที่ท่านได้เมตตาสอนให้ ล่าสุดเงินที่โยมให้ลูกๆนำมาให้ท่านเป็นทุนการศึกษาท่านได้มอบต่อให้กับมูลลนิธิเพื่อนักศึกษาป ร, ริยนธรรมที่ขาดปัดจจัยโยมยิ่งได้กุศลอีกที่โยมมาหาคราวนี้ก็เพื่อมาเตือนว่าการไปเป็นพระธรรมทูตคราวนี้หากงดไม่ไปได้ก็จะเป็นการดีเพราะท่านมาหาจะพบกับบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวโยมบอกได้เท่านี้นะ พระอาจารย์เจิมก็เลยตื่นขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็จำเหตุการณ์ทั้งหมดได้อย่างถนัดชัดเจนออกบินทบาติพอฉันเช้าก็พบกับจดหมายจากโครงการพระธรรมทูตมาถึงพระอาจารย์เจิมก็ได้แจ้งให้ไปรายงานตัวเพื่อเตรียมแบ่งสายพระธรรมทูตพระอาจารย์เจิมเริ่มเชื่อแล้วนะคะว่าที่ได้พบเมื่อตอนเช้ามืดไม่ใช่ความฝันแต่ว่าเป็นความจริงที่ยมเฟื้องมาปรากฏร่างเตือนภัย แต่ว่าจะทำอย่างไรได้ในเมื่อทุกอย่างดาเนินมาจนถึงขั้นนี้แล้วพระอาจารย์เจิมก็ได้ไปเป็นพระธรรมทูตทางภาคเหนือค่ะมีกาหนดเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะแยกสายออกไปตามที่เจ้าคณะเชียงใหม่เป็นผู้กำหนดปรากฏนะคะว่าก่อนเดินทาง3าวันค่ะพระอาจารย์เจิมเกิดอาพาธแพทย์โรงพยาบาลสงก็ให้พักแล้วก็ดูอาการที่โรงพยาบาล ก็เลยทําให้ไม่อาจเดินทางไปได้ก็เลยมีจดหมายแจ้งไปยังแม่กองพระธรรมทูตพร้อมใบรับรองแพทย์ทางแม่กองพระธรรมทูตจึงตัดรายชื่อพระอาจารย์เจิมออกจากรายชื่อพระธรรมทูตให้ท่านมหาองค์อื่นทําหน้าที่แทนค่ะหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วพระอาจารย์เจิมก็อ่านพบข่าวรถที่นําคณะพระธรรมทูตภาคเหนือไปประสบอุบัติเหตุที่ถนนสายเก่าก็คือถนนสายเถินลีลําพูน บอกว่ามีพระธรรมทูตเนี่ยมรณภาพไปสองรูปพระอาจารย์เจิมก็เลยบอกว่าถือว่ายังไม่ถึงที่ตายโยมเฟื้องมาเตือนล่วงหน้าแต่ไม่อาจปฏิเสธการเดินทางได้พอดีเกิดป่วยจนแพทย์ต้องให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแปลกนะตรวจยังไงก็ไม่พบโรคให้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากการออกเดินทางของพระธรรมทูตสายเหนือได้สองวันหากไปในคณะพระธรรมทูตนั้นอาจมรณภาพก็ได้ อีก3เดือนต่อมาค่ะพระอาจารย์เจิมก็ต้องสะดุ้งตื่นเหมือนตอนที่ได้พบกับวิญญาณโยมเฟื้องมองเห็นโยมเฟื้องมายืนอยู่ปลายเท้าแต่ว่าคราวนี้มาในชุดไทยมีผ้าสบายงามสีชมพูส่งเสียงให้พระอาจารย์เจิมได้ยินว่าท่านมหาโยมมาลาท่านมหาดีใจที่ท่านมหาไม่เดินทางตามไปที่โยมได้เตือนจะด้วยเหตุใดก็ตามถือว่าวาสนาธรรมของท่านมหายังดีอยู่จึงรอดมาได้ โยมมาลาท่านมหาเพราะถึงเวลาที่โยมจะไปเกิดใหม่แล้วกุศลที่โยมเพียรสร้างไว้ทำให้โยมเปลี่ยนภพชาติได้เร็วขึ้นจากนั้นร่างของโยมเฟืองก็ได้หายไปพระอาจารย์เจิมจึงออกบินทบาทในตอนเช้านะคะแล้วก็กลับมาที่วัดพร้อมกับได้แบ่งพัตนาหารที่บินทบาทมาได้ซึ่งเป็นของดีๆที่บ้านคุณหญิงสมนึก ท่านทำบุญใส่บาตรวันเกิดแซยิดของท่านไปให้หลวงตาผันที่อาพาธออกบินทบาทไม่ได้แถมยังไม่มีญาติพี่น้องแล้วก็โยมอุปถากได้ฉันได้เพียงพอทั้งเช้าแล้วก็เพลงกรวดน้ำอุทิศกุศลให้กับโยมเฟืองพระอาจารย์เจิมก็เลยบอกว่านับตั้งแต่นั้นมานะคะก็ไม่ได้พบกับวิญญาณโยมเฟืองมาหาอีกเลย แต่ว่าในระหว่างการไปเป็นพระธรรมทูตสายเหนือครั้งหนึ่งพระอาจารย์เจิมท่านเองก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีดอนมูลในหน้าที่พระธรรมทูตต้องอบรมทั้งคราวาสแล้วก็แม่ชีแล้วก็พระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะพระนวากะที่บวชใหม่แล้วก็รับนิมนต์ไปฉันตามที่มีผู้นิมนต์ พระอาจารย์เจิมกับพระอีกสีรูปรับกิจนิมนต์ฉันเพนเมื่อจะกลับนะคะรถที่รับส่งพระเกิดเสียค่ะหมู่บ้านดังกล่าวก็ไกลปืนเที่ยงเสือเกินคนขับก็ไปตามช่างเครื่องมาซ่อมช่างบอกว่าต้องไปซื้ออะไหล่ที่ตัวจังหวัดเพื่อนำ ม, มาซ่อมต้องพรุ่งนี้สายๆถึงจะเสร็จเจ้าของบ้านที่จัดงานบุญเห็นว่าบ้านขับแคบจึงนิมนต์พระทั้งห้ารูปเนี่ยไปหาบ้านเพื่อจำวัดรอกลับ พร้อมกับรถที่รับส่งตอนสายพรุ่งนี้ก็ปรากฏว่าได้บ้านโบราณของนันบุญตาที่ปิดร้างเป็นที่จำวัดค่ะนันบุญตาก็ให้ลูกหลานมาเปิดแล้วก็ทำความสะอาดหาเสือหาพ้าหม่มแล้วก็หมอนมุ้งมาให้พระจำวัดพระอาจารย์เจิมท่านบอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยดูวังเวงพิลึกรู้สึกว่าคล้ายกับไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่ามีคนคอยจ้องมองอยู่ เราเป็นพระอาวุโสพรรษาที่สุดจึงบอกกับพระที่มาด้วยอีกสี่องค์บอกว่าก่อนจำวัดก็อย่าลืมทำวัดสวดมนต์นะเรามาอยู่ในที่ที่มีช่อารามแต่เป็นเรือนว่างพระพุทธคุณจะได้คุ้มครองพวกเราให้ปลอดภยัยหลังจากนั้นก็เข้าจำวัดมุงละสองรูปค่ะพระอาจารย์เจิมจำวัดอยู่กับพระตีพระบวชมาหลายพรรษาแต่ว่ากลัวผีเป็นชีวิตจิตใจคืนนี้ก็เลยต้องนอนเบียดพระอาจารย์เจิมด้วยความกลัว เช้ามืดค่ะพระอาจารย์เจิมสะดุ้งตื่นเหมือนกับตอนที่ได้พบกับวิญญาณของโยมเฟืองไม่มีผิดเพียงแต่ว่าได้ยินเสียงคนหอบหายใจดังอยู่รอบๆมุ้งเดี๋ยวดังซ้ายทีเดี๋ยวดังขวาทีทันใดนั้นเองเสียงหอบหายใจก็มาดังอยู่ที่ปลายเท้าจากแสงสว่างของดวงจันทร์วันเพ็นได้ลอดเข้ามาในห้องจนพอจะมองเห็นสปปรรพสิ่งได้บ้างร่างของใครคนหนึ่ง แต่งกายแบบสตรีชาวบ้านยืนอยู่แล้วก็หอบหายใจดังฟืดฟาดฟืดฟาดนะคะพระอาจารย์เจิมเพ่งมองดูขณะนั้นมองเห็นหน้าไม่ค่อยชัดแต่ว่าที่มองเห็นคือมีเชือกพันอยู่ที่คอปลายเชือกถืออยู่ในมือเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงแวววบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะดังเบาๆแต่ว่าพอได้ยินถนัดหูนะหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ปล่อยมือที่ถือปลายเชือก เชือกเส้นนั้นกลับพุ่งขึ้นสูงดึงตัวเธอขึ้นอยู่ในอากาศนะคะก่อนจะหายไปพระอาจารย์เจิมหันไปดูพระตีซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาหวาหมคลุมหัวร้องครางฮือๆจึงเอามือไปแตะตัวพระตีก่อนเขย่าให้รู้ตัวพร้อมกับบอกพระตีว่าอย่าตกใจไม่มีอะไรเช้าแล้วสายหน่อยก็จะได้กลับวัดแล้วเจ้าของบ้านกับชาวบ้านนึ่งข้าวเหนียวทำน้ำพริกหนุ่มกับแกงพื้นบ้านนะคะสองสาอย่างมาถวายพระทั้งห้ารูป ภรยาของนันบุญตาเจ้าของบ้านก็ถามพระธรรมทูตด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มเป็นนายๆอะค่ะว่าจําวัดสบายดีไหมเจ้าพระอาจารย์เจิมจึงพูดทีเล่นทีจริงบอกโอ้สบายดีแล้วยมละ่ะทําไมให้พระมานอนที่เรือนนี้ตอนนี้ยังมาถามว่าจําวัดสบายดีหรือเปล่าสีกาท่านนั้นก็ก้มลงกราบก่อนจะพูดลอยๆขึ้นว่าบัวสีมันไม่ยอมไปไหนสักทีน่าสงสารมันอย่างไรซาท่านทั้งหมดช่วยแผ่กุศลให้มันด้วยนะเจ้า แผลไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วที่หน้าที่หลังหากให้ใครก็ตามมาพักที่นี่ก็อย่าลืมจุดธูปบอกบัวสีมันด้วยบอกว่าอย่ามารบกวนผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์มันเป็นบาปบางรูปอาจชอกตายเพราะเห็นอะไรแปลกๆแต่ว่าอาตมาเนี่ยเคยเจอมามากกว่านี้แล้วแม่ของบัวสีเล่าให้พระอาจารย์เจิมฟั่งค่ะว่าบัวสีเนี่ยเสียใจที่คนรักที่กะว่าจะแต่งงานกันไปทํางานที่กรุงเทพคะ่ะ แล้วไปได้ภรรยาที่นั่นก็เลยผูกคอตายในบ้านที่ทางพ่อแม่กะว่าจะให้อยู่กินกับหนุ่มที่จะแต่งงานด้วยพอตายแล้ววิญญาณของบัวสีก็สิงอยู่ในบ้านนี้ที่ต้องให้จํำวัดที่นี่เพราะว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยมีหลังนี้แหละที่รองรับพระได้คราวเดียวถึง5องค์จึงต้องให้จําวัดและก็ไม่คิดว่าจะโดนผีบัวสีเนี่ยหลอกหลอนเอาได้นะคะ เรื่องราวของพระอาจารย์เจิมก็จบลงเท่านี้นะคะท่านเองก็ได้เล่าให้กับโยมที่มาทำบุญฟังนะคะก่อนที่ท่านยังไม่ได้มรณภาพนะคะหมดเวลาของบีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีกับเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แม่เห็นแล้วชื่นใจเหลือเกินบรรด า, าคุณผู้ฟังทุกๆคนเนี่ย มีใครบ้างที่มาคอมเมนต์เป็นประจำเป็นประจำจะจำชื่อเขาได้เลยใครหายไปก็จะจำชื่อได้เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ดีนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของบีแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดชอบนะคะให้กับวิดีโอของบีทุกๆตัวด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ